เทละคาถานี้ก็เป็นคำอุทานของผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนะฮะวันนี้ผมนำเมเมะชินะเทละคาถาซึ่งเป็นคาถาของพระเมละชินะเทระเมระชินะแปลว่าอะไรก็ไม่ทนะราบเหมือนกันนะสับบางสับผมเปิดด i c t i o n a รีดู ก, ก็ก็หาไม่เจอนะครับ ท่านพระเถระองค์นี้นะครับก็เหมือนกับพระเถระองค์อื่นๆนะครับที่ได้สั่งสมบุญไว้ในพบก่อนๆนี้เป็นอันมากเกิดในเรือนแห่งตระกูลนะครับในสมัยของพระภูมีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธะ นะพระภูมีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมเมธะบรรลุนิติภาวะแล้ววันหนึ่งเห็นพระภูิมีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบินทบบาทมีใจเลื่อมใสได้ถวายผลอาโมทะมีรสอร่อยเอออาโมทะนี่ก็ไม่รู้ผลอะไรนะไม่ทราบเหมือนกันนะตัวนี้ก็ ลืมเปิด ary, ดิกชันนารีดูอาโมทะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้กันนะเอาเป็นว่าผลอร่อยแล้วกันนะครับด้วยบุญกรรมนั้นเขาท่องเที่ยวไปเกิดในตระกูลกษัตริย์กรุงพาราณสีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นี้นะครับได้นามว่าเมลชินะชื่อถึงท่านนะครับเมลชินะ ถึงความสำเร็จในศิลปะวิทยาเป็นผู้ฉาลาดปราดเืลองมีนามกระชอนปรากฏไปทั่วทิศเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะป่าอิสิปตนะกนะุงพาราณสีเขาไปสู่พระวิหารเข้าเฝ้าพระาศาสดาฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธา บวชแล้วเริ่มตั้งวิปัสนาบรรลุพระอาหารหันต์ในวันนั้นเองบวชวันนั้นก็บรรลุวันนั้นเองเนี่ยสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอปทานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สยามภูสยามภูนี่แปลว่าอะไรครับใครรู้บ้างครับ ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมสยามพูไปว่ารู้เองรู้ทั่วรู้เองเกิดเองรู้เองอย่างอาจจะแทนพระอิศวรก็ได้ท่า น, นเป็นสยามภูในะสมัยศาสานาพราหมณ์ก็ถือว่าพระอิศวรก็ เ, เป็นพระพรหมนี่เป็นสยามพูเนะี่ยรู้รู้รู้เองเกิดเองรู้อะไรหมดทุกอย่างหมดนะครับ แต่ผู้สยามพูในที่นี้หมายถึงพระผู้มีพาคเจ้านะครับผู้มีพระรัศมีนับด้วยพันไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรอะไรทรงออกจากวิเวกแล้วสเสด็จออกโครจรบินธบาตเราถือผลไม้อยู่ได้เห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระนระสพเนี่ยนี่ก็แปลว่าผู้องค์อาจ น, นะครับหรือว่าผู้ประเสริฐ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระน ร, ราสพระน่เป็นภาษาบาลีนะครับเปิดดิกดูแปลว่าผู้องค์อาจผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นะอ่านพระไตรปิฎกต้องมีซื้อดิไว้เล่มนะอย่าลืมนะซื้อดิบน า, ารีไว้เล่มหนึ่งนะช่วยได้เยอะนะครับแต่ก่อนนี้ผมก็ไม่มีต้องโทรไปถามอาจารย์สมพรเป็นประจำเรามีจิตเลื่อมใสมีจิตโสมนัตได้ถวายผลไม้ ในกับที่44แต่พัทธลกัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่แสดงว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นะครับนี่เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลส ท, ทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำสำเร็จแล้วดังนี้ก็พระเถระคันบรรัรลุพระอรหันต์แล้ว ในเวลาต่อมาอันภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านได้บรรลุอุตริมนุสธรรมแล้วหรือเมื่อจะบรรลืศีหนาดได้กล่าวคาถาสองคาถาความว่านี่ครับบนกระดานนี่นะครับท่านก็ได้กล่าวคาถาสองคาถาเมื่อใดเราได้ฟังธรรมะของพระศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่ เมื่อนั้นเราไม่รู้สึกความสงสัยในพระศาสดาผู้รู้ธรรมทั้งปวงผู้อันใครใครชนะไม่ได้ผู้นำหมู่แก้วกล้าเป็นอันมากพระเสริจสุดกว่าสารทีทั้งหลายหรือว่าความสงสัยในมรรคปฏิปทาย่อมไม่มีแก่เรานะท่านลองดูนะครับนี่ติดตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างว่าข้อความอย่างนี้เนี่ยดูฟังแล้วก็ ดูเป็นคำไม่ค่อยไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับเมื่ อ, อไรเราได้ฟังธรรมะของพระศาษษษสดาตรงนี้ก็คงจะอะมีความลึกซึ้งอะไรเปล่าครับอาจารย์มีไหมไม่มีนะฮะเมื่อใดเราได้ฟังธรรมะแสดงว่าฟังธรรมะธรรมะอะไรครับธรรมะแสดงว่าต้องฟังอะไรตัวนี้ต้องสําคัญที่สุดแล้วธรรมะตัวนี้นี่หมอกเก่ง นี่ต้องแสดงว่าเพราะว่าเป็นเป็นคาถาที่อุทานเพราะว่าในบราารลุพระรหันเนี่ยนะครับอันที่จริงนะครับที่เราได้ฟังธรรมทั้งพระไตรปิฎกนั้นนะ่ะเป็นอริยสัจสีทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนไหนเลยที่ไม่ใช่อริยสัจสีเป็นงั้นหรืป่าครับท่านอาจารย์ครับนะก็เป็นอริยสัจสีทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าเอาส่วนใดมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะอันที่นี้เนี่ยนะครับ ได้ฟังธรรมอันนี้นี่นะครับต้องเป็นธรรมะที่เป็นอริยสัจสี่น ะ, ะอันนี้แสดงว่าเราต้องอ่านเราต้องลึกไปอีกนิดหนึ่งนะครับของพระศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่เมื่อนั้นเราไม่รู้สึกความสงสัยในพระศาสดาผู้รู้ธรรมะทั้งปวงนี่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดายแล้วนะ ผู้รู้ธรรมะทั้งปวงนี่หมายความว่าไงครับคําว่ารู้ธรรมะทั้งปวงนี่เมื่อวานนี้ cia. สัพพะสัสสสพพะเนี่ยนะหมดเลย ah. ทั้งบัญญัติ ด, ด้วยนะทั้งเป็นปรมัาถธรรมด้วยนิพพานด้วยรู้หมดเลยนะทั้งบัญญัติทั้งสังฆตธรรมทั้งอสังฆะธรรมพระองค์รู้หมดนี่นะเป็ว่าผู้รู้ธรรมะทั้งปวง ผู้อันใครใครชนะไม่ได้ผู้ใครผู้อันใครใครชนะไม่ได้นะครับในภาษาบาลีท่านว่าอปราชิเตเนีไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้ใครบ้างครับที่ชนะพระองค์ที่อยากจะอาชนะพระองค์เออมีไหมใครบ้างครับที่อยากเอาชนะพระผู้มีพระภาค โอ้เก่งมากเก่งกับผมอีกเป็นพวกมารทั้งหลายนี่นะหมายความผู้ที่อยากเอาชนะพระองค์ก็คือพยา ม, มารหรือว่ามารก็นอกจากเทวปุตตมารแล้วนี่นะก็ยังมีมารอื่นๆ อ, อีกนะเช่นอะไรบ้างครับใครนึกได้บ้างครับอะไรนะกิเลสมารกิเลสมาร ช, ชนะพระองค์ไหมแพ้ราบคาบเลย แล้อะไรครับขันธมานขันธมานแพ้พระองค์ไหมแพ้ไหมฮไม่แพ้พระองค์ชนะพระองค์เหรอขันธมานอ่ะขันธมานคืออะไรครับอุปาทานขันท่าขันธมารนะ ก, ก่อนหน่งเราต้องเข้าใจก่อนมานนี่คืออะไรฮะผู้ฆ่าเออใช้ได้นะมาระแปลว่า แปลว่าตายนะแปลว่าตายก็ได้นะ เ, เพราะมาละนี่นะแปลว่าผู้มาขัดความความเจริญก็ได้นะพระองค์ชนะหนึ่งกิเลสมารชนะแน่นอนนะไม่มีผู้ใดสามารถทํำให้พระองค์เกิดโทสะได้ไม่มีผู้ใดทําให้พระองค์เกิด โลภะหรือตันหาได้นะครับเยอะแยะเลยใ น, ยนกิเลสมารแล้วก็ <c oughs> ขันธมารขันก็ไม่สามารถจะมาเป็นอารมณ์ให้พระองค์เกิดอุปาทานได้พระองค์จะไม่มีอุปาทานในขันเหล่านั้นเลยคือไม่ได้เข้าไปติดในประเภทกามุปาทานไม่ได้เข้าไปติดในลักษณะที่เข้าไปติดข้อง หรือชอบใจในไม่วักขันใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปามีอุปาทานในลนักษณะที่เป็นอัตวาทุปาทา น, นในเรื่องสักกายะไม่ได้มีตัวตนที่พระองค์เข้าใจผิดเลยนะนี่ก็เป็นอัตวาทุปาทานหรือแม้แต่ศีลประตุปาทาน พระองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติผิดเลยเพราะว่าพระองค์เดินมาตามอรอยิยมรรคอ ง, ง แ, แล้วจนบรรลุแล้วเพราะฉะนั้นนี่นะพระองค์ชนะขันธมารกิเลสมารไหครับจะมีอะไรเสริมไหครับนบแล้วก็เทวปุตมปตมานเทวปุตตมานี่ เป็นเทวดานะชั้นปารณิมมิตะวัตสวตีเม่อ่านยากใช่เลยเป็นเทวดาชั้นที่หนซึ่งจอมของเทวดาเป็นจอมพยามมานี่ก็ไม่อยากให้พระองค์บรรลุมรรคผลขัดขวางตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเมื่อสมัยที่ยังอยู่ที่ต้นพระศรีหมหาโพนน่ะ น, นะนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จ แล้วก็ยังขัดขวางมาตลอดเลยนั่นเป็นเทวปุตรตมานซึ่งก็แปลงนะครับมานี่ไม่อยากให้ผู้ใดได้ไดบรรลุมรรคผลเพราะเกรงว่าพระผู้มิพระภาคจะขนบรรดาสัตว์ทั้งหลายออกไปจากสังสารวัตหมดเลยหมดความสนุกไม่มีใครไปเกิดในชั้นปานิ ม, มิตตรสวัิ์สวัตตีอะไรนนะี่ปรานิ ม, มิตตวัศวตตี เรียกกอยากอยู่แล้วมันไปเกิดได้ยังไงนะอ่าเพราะว่าชั้นนั้นนี่สนุกมากนะแล้วก็นึกอยากอะไรเนี่ยนะนึกชอบอะไรนึกอยากเห็นอะไรนึกอยากได้ยินอะไรนะมีคนในลมิไท้ฟังหมดเลยแม น, นี่น่าดูนะสวรรค์ชั้นนี้เนอะนึกอยากสนุกอะไรก็มีคนในลมิไทยหมดอ่า ฉันนิมมานราดีนิมิตเองฉันนิมมานนรดีนี่นิมิตขึ้นมาเองได้นึกอยากสนุกอะไรเห็นช้างสามเสียงก็ได้เห็นเลยอะสนุกอะจะคิดอะไรได้หมดเห็นดอกไม้โตเท่า ต, ต, ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยัได้เห็นเลยอะมันจะสนุกสักแค่ไหนนะจะพิสดารสักแค่ไหนแต่ว่าฉัานปรนิมนั้นเนี่ยมีผู้เนรมิตรให้พอเรานึกอยากเห็น มีพุ่นในในมิไทตเลยเป็นยังไงน่ะาครับแปลงนะชั้นสุดท้ายนี่อืก็อยากไปเกิดเหมือนกันเนะีนะ่ยคงสนุกกันใหญ่น ะ, ะเทวปุตตมานเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นพระราชาของสวรรค์ชันนี้เนี่ยแต่ภายหลังเนี่ย ตั้งแต่เริ่มขัดขวางทั้งสมัยพระพูุิภาคทรงบำเพ็ญทุกขเริยานนะจนกระทั่งปกรณิพานเนี่ยมานเอาชนะไม่ได้เลยแล้วก็มานจ้องจับผิดว่าพระองค์เนี่ยนะเพราะว่าท่านมีฤทธิ์เหมือนกันนะท่านไม่สามารถจับผิดได้เลยว่าพระพุยภาคมีความบกพร่องหรือว่ามีอักขุศรณจิตแม้แต่ขณะเดียวเลยตลอด ตั้งแต่ตัดสรุป ม, มาจนกระทั่งปรินิพานไม่เจอเลยนในสุดยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมยอมพระพุทธยอมเป็นอะไรเป็นสิทธิ์เป็นสาวกของพระพุทธิภาคนะและก็ตามประวัติบอกว่าพญามารองค์นี้จะเป็นเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าครับก็จะเป็นพระโพิสัต์จะเป็นพระพุทธ เ, เจ้าในอนาคตการข้างหน้านะครับ นี่เป็นเทวปุตตมารเป็นมารจริงๆแล้วแล้วมีมาอะไรครับเมื่อกี้นี้อะไรนะอ อ, อะพิสังขารมารโอ้ยตัวนี้ยากนะอ่ะพิสังขารมานี่หมายความว่าไงครับอ่ะพิสังขารก็หมายความว่าอะไรครับเจตนานี่ยแหละพิสังขารน่ะ อ่ะพเพราะว่ายิ่งใหญ่สังขาร่าปรุงแต่งตัวปรุงแต่งสูงสุดก็คือก็คืออะไรครับก็คือตัวเจตนานั่นแหละแต่เพราะทําไมถึงไม่ตัวเจตนานี้ถึงเป็นมารไปได้ยังไงอะน้าเกิดนะครับและพระองค์ชนะได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้แหละเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดเรื่อยเกิดเรื่อย นะครับสังสารวัตยาวนานเพราะตัวนี้อภิสังขารครับอภิสังขารก็เป็นตัวเจตนาเป็นตัวปรุงแต่งที่เป็นอภิอภิมหาอำนาจเลยในบรรดาเจตสิกทั้งหลายนั้นก็เป็นตัวปรุงแต่งทั้งนั้นแหละแต่ว่าตัวปรุงแต่งที่มีความสำคัญมีตัวเด่นก็คือตัวเจตนาเจตสิกนี้นะครับ ที่ทำให้สังสารวัตอันยาวนานเนี่ยนี่นะครับปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขานี่แหละครับเป็นตัวปรุงแต่งซึ่งพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้นะถูกต้องควาับท่านครั บ, รบอ่าไปถึงไหนแล้วอ่าอันผู้อันใครใครชนะไม่ได้หมายความว่าบรรดามานทั้งหลายเหล่านี้ เอาชนะพระองค์ไม่ได้เนเพราะฉะนั้นเราอ่านแค่นี้เนี่ยนะอันใครใครชนะไม่ได้ถ้าเราไม่มีความรู้นะเรานึอีใครจะไปชนะพระพุทธเจ้าพระเทวทัตใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยสัตวตูไหนบ้างล่ะที่จะชนะพระองค์นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นในยะของว่าผู้ที่ชนะก็คือมาร น, นะครับจะเพิ่มเติมอะไรไหมนี่นะต่อไปนะครับอันผู้อันใครใครชนะไม่ได้ ผู้นําหมู่แกล้วกล้าเป็นอันมากฟังอ่านดูแล้วไม่เคยเข้า้าเลยแปลแปลกระพองกระแพงก็ฟังไม่ทราผู้อันใครใชนะไม่ได้ผู้นําหมู่แกล้วกล้าเป็นอันมากในอัตถาท่านกออ็อธิบายว่าคือว่าพระองค์เป็นผู้นําสัตว์ออกจากสังสารวัตร ในอักขทั้งอธิบายว่าพระภูยพภาคนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่แกวกล้าเป็นอันมากนำหมูสัตว์ออกจากสังสารวัตรเข้าสู่พระนิพพานนีก็ความหมายอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมูสัตว์นี่ถูกพระองค์ขนไปนิพพานเยอะแยะเลยเนะเมื่อปฐมเทศนานั้นเนี่ยมีเทวดาบรรลุ เป็นโกดมีเทวดาบรรลุเป็นโกดนะโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะเราเห็นว่าในโลกนี้นี่นะครับถ้าพระพุทภาคทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาสี่อสงไขยกับแสนกับแล้วก็มีผู้บรรลุในประเทศอินเดียในขณนะนั้นสมมติในขณะนั้นเนี่ยนะก็มีก็ไม่กี่ล้านคนเนี่ยดูแลโอ้โหทำไมไม่น่าจะคุ้มเลยนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะ สัตว์ในโลกอื่นๆนั้นนี่นะครับมีผู้บรรลุมากมายทีเดียวแต่แม้กั น, นั้นนะครับมหายานก็บอกว่ายังไม่พอใจอย่างนี้ไม่ใช่มหายานถ้ามหายานนั่นต้องเป็นยานใหญ่กว่านี้ที่จะขนสัตว์ออกให้บรรลุมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องบำเพ็ญตนเป็นพุทธะหมดเลยเพื่อที่จะขนบรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยยานอันใหญ่นะ ถ้าหากว่าสําเร็จคนเดียวก็ไม่ดีนะไม่ไม่อะไรอะ่ะคลา้คลายว่ายังไม่กว้างนะักใจไม่กว้างนะักถ้าจะใจกว้างอย่างมหายานต้องใช้มหายาณนั้นญาณพานะอันใหญ่ข้ามสัตว์แอบขนพาสัตว์ข้ามสังสารวัตรนี่นะครับนั่นเรื่องมหายาณ น, นะฮะต่อไปนะครับประเสริฐสุดกว่าสารถีทั้งหลาย โอ้ตรงนี้เมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลายแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการฝึกผู้สมควรที่จะฝึกนี่นะครับนะยิ่งกว่าสารถีใดๆหรือว่าความสงสัยในมรรคปฏิเบธาหรือว่าความสงสัยในมรรคปฏิปทาย่อมไม่มีแก่เรานะ ตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อฟังแล้วก็ไม่สงสัยเลยในทนทางปฏิบัติที่จะบรรลุมรรคผลไม่มีแก่เรา่ทั้งหมดนี้นี่นะครับก็เป็นคำอุทานที่สั้นๆ น, นะครับที่เราพอจะอ่านเข้าใจเพราะว่ามีอัดขถาช่วยไว้หลายคำทีเดียวนะครับ ในอัธกถาที่อธิบายไว้ที่ที่น่าสนใจก็คือนับจําเดิมแต่เวลาที่พระศาษษษสดาทรงแสดงธรรมเราได้ฟังคือเข้าไปทรงจํานี่แสดงว่าความทรงจํานั้นเนี่ยมีความสําคัญมากเลยเนะถ้าเราทรงจําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนี่นะมันยากเหมือนกันที่จะไปตรึกที่จะไป จะไปตรองในเรื่องธรรมะนี่นะครับแต่ว่าถ้าสํานักใดบอกว่าเอ้ยความจําไม่จําเป็นหรอกเอาเข้าใจอย่างเดียวแม้ถูกใจถูกใจลูกศิษย์เพราะว่าแหมเรื่องจํานี่เป็นเรื่องที่ยาหม้อใหญ่สําหรับเราอยู่แล้วนะเนี่ยพอบอกให้จําไม่คอยอยากจําเลยนะไม่ค่อยชอบนะีแต่ไม่ใช่วัดจำอะไรกันมากมายนะต้องจําจุดที่สำคัญสำคัญไปนะเช่นสมมุติว่า ถ้าหากว่าท่านจําในเรื่องพุทธานุสติได้นะโอ้โหนี่ช่วยเราไปเยอะเลยนะนะอีกหน่อยท่านอาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังนะตั้งแต่อิติปิโสภะควาอารหังเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระภูทิภาคเป็นพระอรหันต์คำว่าเป็นพระอรหันต์นั้นมีความหมายได้กี่ในเนี่ยถ้าเราต้องจําเลยนะหนึ่งไกลจากกิเลสนะ พระองค์หมดกิเลสก็ดีนะพระองค์สามารถที่จะหักสังสารจักสังสาระสังสารจักคือทำให้ออกจากวัฏฏะไปได้หรือว่าพระองค์เป็นผู้ควรแก่ปัจจัยพระองค์เป็นผู้ที่ไม่ได้ทไม่มีทำบาปในที่ลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องให้เราตรึกถ้าเราจำหัวข้อนี้ได้นะอีกหน่อยเราก็จเจริญพุทธคุณได้หรือว่าโลกวิทูนั้นเนี่ย พระองค์เป็นโลกวิถีพระองค์รู้โลกหมดตั้งแต่โลก1โลก2โลก3โลก4ีโลกหโลกห7 8 9็ดโลกสิบงโลกสิถ้าเราจํานี่นะว่าโลกหนึ่งคืออะไรโลก2คืออะไรนี่นะครับเราจำไม่ตลอดตั้งแต่อิปิติสุภาควาจนกระทั่งสุดท้ายนู่นเลยเนี่ยนะครับพอจําได้นะเราก็จะเจริญพุทธคุณได้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มตรึกได้เริ่มตรึกจากจุดนี้ออกไปได้เช่นพระองค์บอกว่า พระองค์ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างนี้นะในนั้นก็ต้องอธิบายว่าตัดสรู้อะไรตัดสรู้ด้วยพระองค์เองคือตัดสรู้อริยสัจสี่สมมุติว่าถ้าเรารู้เราจําได้นะตัดสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรคือทุกขล r i e s สัจสมุทยัยสัจนี่โลทอริยสัจนี่โลทคามณีอริปฏิปทาอริยสัจสมมติถ้เราจําได้สนะเอาต่อไปทุกข์สัจมีอะไรบ้างนะเราก็นั่งตึงนะพุทธคุณใช่ไหม ทุกษัตริย์ได้แก่อุปาทานขันห้าอุปาทานหันหน้าได้คืออะไรคือรูป28เวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารห้าสวิญญาณขันแปดสเนะเราก็ตึกไปเรืนนะ่อยนะอ๋อทุกษัตริย์นี้เป็นธรรมะที่ควรกําหนดรู้รู้อะไรบ้างนะรู้ได้ปริญญาปริญญาสามีอะไรบ้างยาตาปริญญ า, าตีแลนะัปิญญาอันไซเมอร์มาล้ เตือนนัิญญาปหานับิญญานะเนี่ยคึกตึกอย่างนี้เลยนะพอตึกไปเรื่อยนะปิญญานี i มีอะไรบ้างนะหนึ่งรู้การเกิดรู้การดับรู้คุณรู้โทษรู้อุบายเครื่องสลัดออกถ้าเราตรึกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความจํานี่นะจึงมีความสําคัญเราจำเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะแล้วก็เราก็จะตึกเป็นนะแล้วพอเราไปเรียนเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมนะมันจะขยายจากจุดนี้ไปเรื่อย เขบอกภาษาละีผู้ฝึกเนี่ยนะเรารู้เลยโอ้โสบายมากสบายมากหวังไม่ต้องไปแปลเลยนะหรือบอกว่าลู่โรกับวิทูนี่นะโลกหนึ่งคืออะไรโลกหนึ่งคือสัพเพสัตตาอาหารัตธิกาเลยครับนะแปลว่าสัตว์ดํารงอยู่ด้วยอาหารนะครับหมายความว่าไงครับโลกหนึ่งี่คือโลกหนึ่ง คือโลกทั้งหมดนี่ไม่ว่าอะไรในะทุกอย่างนี่นะครับหนึ่งจริงๆคืออะไรครับอาหารคืออะไรครับเหตุหรือปัจจัยปัจจัยไม่ใช่อาหารกินอย่างเดียวนะปัจจัยเพราะฉนั้นทุกอย่างมาจากปัจจัยเมื่อปัจจัยมีปัจจัยแล้วก็เกิดธรรมะธรรมะตัวนั้นเป็นปัจจัยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นรวมเบสเส็จแล้วก็คือปัจจัยเท่านั้นเองคือโลกเป็นหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีมากกว่านี้เมื่อปัจจัยทําให้ธรรมะเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นผลจากปัจจัยเกิดขึ้น พอมันเป็นแล้วตัวมันเองก็เป็นปัจจัยต่อไปเพราะฉะนั้นสูบแล้วทั้งหมดนี่แหลปะปัจจัยอย่างเดียวโลกคือ้นหนึ่งี่สามัญเรนปัญหาเนี่ยนี่นะถ้าเรารู้ว่าโลกกับวิถีนี่นะพอโลกห้าก็คือขันห้าโลกแปดก็คือโลกกระทำแปดอืมโลกกระทำแปดโลกสิบก็อายตนะสิบโรคหกก็อายตนะหกโรคสิบแปก็ธาตุสิบปนนี้เราก็ตึกไปได้หมดละ ตึกไปได้เรื่อยนะพอเราเรียนมาเราก็เพิ่มเติมรู้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นนี่นะฮะท่านจึงกล่าวว่าเมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมเราได้ฟังคือเข้าไปทรงจำนะใช่ไหมนะด้วยการแล่นไปตามแห่งโสตะทะวานได้แก่ได้รับจตุสัจธรรมเนะี่ยอริยสัจสี่นะ เราไม่มีความสงสัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าทรงอย่างรู้พระสัพพัญยุตยานโดยไม่มีอะไรขัดขวางเพราะทรงรู้สมมุติธรรมทั้งที่เป็นสังคตตะและอสังคตตะโดยไม่มีส่วนเหลือเป็นสยามภูนะรู้หมดรู้เองด้วยชื่อว่าผู้อันใครใครชนะไม่ได้เพราะความเป็นผู้อันมารเหล่านั้นชนะไม่ได้ จะเห็นว่าในอัตกถฐานี่นะมีความสำคัญมากเลยนะพอเราอ่านนิปั้เนี่ยนะอัตราฐาก็จะอธิบายแต่ละคำแต่ละคาไปด้วยนะครับอโดยที่ทรงครอบงำมารแมทั้งห้าไว้ได้พอมารแมทั้งห้าไม่ได้เราก็ต้องไปเปิดดูนะเออมารห้ามีอะไรบ้างไม่ทราบว่ามีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมจากข้อความในเทระคถามเมื่อกี้เนี่ย ทำให้เห็นคุณค่าของพระตนะตรยมากขึ้นเราลองส่งเคราะห์พุทธถ้อยคำของพระเถระเมื่อกี้เนี่ยลงในเรื่องของไตรสรณะคมดูนะตัวท่านเองนั่นะ เ, เป็นสังฆคุณตัวท่านนี่คือพระสงค์เชื่อว่าบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือท่านนั่นแหละ เพราะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีจริงๆเลยสุ ป, ปฏิปันโนไม่ปฏิบัตินอกคาสอนเลยใช่หัหยท่านเป็นอุชุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติไม่คดไม่เอียงแม้กระทั่งทางกายทางวาจาและทางใจแล้วเป็นยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคเพื่อรู้พระนิพพานแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมของพระผู้มีพระภาคสมควรแก่ธรรมแล้ว เมื่อเมื่อท่านนั้นเข้าถึงเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมหรือเข้าถึงอริยสัจแล้วเนี่ยท่านจึงไม่สงสัยในผู้สอนเลยว่าผู้สอนเนี่ยท่านได้อะไรบ้างใช่ั้ยจากข้อความในที่โยมผู้การขึ้นในกระดานว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมะของพระศ า, ศาสดาผู้แสดงอยู่ในช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยนะ เมื่อนั้นเราไม่รู้สึกสงสัยในพระาศาสดาไม่มีความสงสัยในพุทธคุณเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงหรือสงสยัยไหมเพราะท่านนิมดกิเลสเลยจะไม่สงสัยในผู้หมดกิเลสแหละท่านไม่มีความสงสัยในเรื่องการหมดกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธนิตรัสรู้อริยสัจจริงหรือเปล่าท่านก็ไม่สงสยัยเพราะท่านก็รู้อริยสัจด้วย บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นวิชาจรณะสามบันโนท่านนี่ก็บอกว่าท่านก็มีวิชาสามแต่ว่าไม่รู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่ก็มีวิชาส่มพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติต่างๆความประพฤติ ท, ที่ดีเยี่ยมคือจรณะธรรมทั้ง15ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านก็มีจรณะเหล่านั้นนับตั้งแต่ศีล น, นนะชาคิยานุโยกการสำรวมอินทรีย์โภชเนมตันยุตาเป็นต้น อ่าสิ่งเหล่านี้ท่านไม่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่สงสัยคุณของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงนะไม่สงสัยในพุทธคุณแม้แต่ข้อเดียวเพราะท่านเข้าถึงธรรมคุณแล้วท่านเข้าถึงอริยสัจจะทำพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เปิดเผยในเรื่องอริยสัจ ท, ท่านเข้าถึงอริยสัจ ท, ท่านจะสงสัยไหมว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยผิดพลาด ท่านจะบอกว่าเออพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ดีจริงๆเลยนะตรัสไว้ดีแล้วสวาขาโตพระวะตาธรรมโมพูดเรื่องอริยสัจแต่เป็นธรรมะที่เป็นสันธิฏฐิโกผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองอริยสัจเนรู้ได้ด้วยตัวเอ ง, อ เ, องเป็นอากาลิโกท่านปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ น, นะเฉพาะตัวท่านนะของเราไม่แน่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงโลกุตระธรรมก็การไหนก็ยังไม่รู้เลย ใช่ไหมแต่ของท่านนั้นไม่จํากัดการใช่ไหมแล้วท่านก็น้อมอริยมรรคอริยผลเป็นต้นเนี่ยน้อมเข้าไปไว้ในตัวท่านได้สําเร็จแล้วเป็นโอปะณียโกปั จ, จัตตังท่านก็รู้เฉพาะตนของท่านนะเสร็จแล้วท่านก็บอกเอหิป e ัสสิโกคําสอนเหล่านั้นเรียกให้คนอื่นรู้ได้พระพุทธเจ้านี่เรียกให้คนอื่นรู้อริยสัจตามได้นะแล้วก็ปัจ เ, เวทิตาโพวินโยหิติ เวทีตัพโพนี้แปลว่าพึงรู้ได้อย่างนั้นวินยูหิติเนี่ยนะก็คืออันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองวินยูชนวินยูชนมีกี่อย่างหนึ่งอุคติตันยูนะอุคติตันยูเนี่ยท่านรู้ทั้งหมดเลยท่านไม่สงสัยแล้ววิปัญจิตันยูบุคคลท่านก็ไม่สงสยัยท่านก็เข้าถึงคำสอนไปเรียบร้อยแล้วในยะบุคคลนี้ก็บรรลุอริยสัจเหล่านั้นแล้วเห็นมะ เพราะฉะนั้นวินยูชนเนี่ยรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองอผู้ที่เข้าถึงคำสอนเหล่านั้นแหละเรียกว่าเป็นพระพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นท่านจะไม่สงสัยในพราษาสดาไม่สงสัยในพระคุณต่างๆนะเพรา ะ, ะพระอรหันต์รูปนี้เนี่ยท่านจึงมั่นคงในพระพุทธศาสนาศรัทธาของท่านเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะว่าเห็นเหมือนกัน ม, มีอยู่ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าถามภาษาริบุตรว่าเธอเชื่อหรือว่าอินทรี่ห้าที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วยังลงสู่นิพพานเป็นที่สุดเชื่อไหมหรือถามหนึ่งว่าเชื่อไหมว่าอริยมรรคมีองค์แปนะถ้าเกิดในบุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยจะเห็นนิพพาน น, นะถ้าคนที่เห็นด้วยกันเนี่ยนะเชื่อไหมภาษาริบุตร บ, บอกไม่เชื่อบอกว่าท่านก็เห็นน่ะท่านไม่ต้องอาศัยโดยการเชื่อหรือเฉพาะเรื่องนี้เนี่ย ท่านไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะท่านก็เห็นเหมือนกันแต่คนอื่นนี่ต้องเชื่อก่อนอย่างอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ต้องเชื่อก่อนว่าสวาขาโตพระควะตาธรรมโมพระธรรมคํำสอนพระองค์ตรัสดีแล้วอาศัยความเชื่อเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าเป็นบุคคลที่ถึงไตรสรนคมส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เห็นเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละนิพพานพระอรหันต์ธรรมดาหรืออรหันต์แบบพระพุทธเจ้าก็เห็นเหมือนกันนะ เห็นความสิ้นกิเลสเหมือนกันแต่สิ้นกิเลสนั้นอ่ะพอสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยจะมีคุณวิเศษติดตามหรือไม่สมควรแก่บารมีที่สะสมมาอ่าถ้าผู้สะสมมาที่จะได้สุขาวิปัสสกท่านก็จะเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขาวิปัสสกนะท่านได้วิปัสนาญาณท่านได้ฌานแต่ว่าก็ไม่ได้มีอภินญาต่างๆบางท่านก็มีอภิญญาคือได้วิชาสามบางท่านก็ได้อภิญญาหก บางท่านก็ได้ปฏิสัมพิทาสีตามสมควรแก่อุปนิสัยที่สะสมมาแต่ว่าในการเห็นธรรมะเป็นที่สิ้นกิเลสไม่ต่างกัน น, นะไม่ต่างกันโดยโดยการเห็นนิพานนะแต่ว่าเบื้องหลังนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในการบำเพ็ญบุญเมื่อรู้แล้วบางองค์เนี่ยสอนได้มากมายมหาศาลบางองค์สอนไม่ได้เลยบางองค์เอออย่างเงี้ยพูดอยู่สองคาถาสองบรรทัดอย่างเงี้ย มาเมื่อไหร่ก็เทศอยู่แค่เนี้นะจนมีอย่างพระจุลบรรทกเนี่ยแสดงธรรมท่านแสดงธรรมอยู่ประมาณคาถาเดียวจนภิกษุณีเนี่ยนึกตำหนี่โอ้องค์นี้มาอีกแล้วเหรอองค์นี้มาอีกแล้ว ก, ก็ก็เทศอยู่เท่านั้นแหละทีนี้มีมีพิกษุณีรูปหนึ่งตำหนี่านท่านเลยเทศทั้งวันเลยเทศจนดึกอ่ะตำหนี่ท่านนะแต่ว่าปกติท่านจะประทับใจอยู่คาถาหนึ่งคือคาถาที่พระพุทธเจ้าทร ง, งแสดงแล้วท่านได้บรรลุ ท่านจำคาถานั้นแล้วประทับใจมากไปที่ไหนท่านก็จะพูดแต่คาทานี้แหละทีนี้ตอนหลังจนคนอื่นก็เฮ้ยพระองค์นี้สงสัยจะเทศได้แค่นี้แล้มั้งนั่นแหละท่านก็เลยแสดงธรรมมากเลยคราว น, นี้แสดงจนจนล่วงเป็นดึกเดินพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติศกขาบทอีกข้อหนอึงว่าห้ามแสดงธรรมในสํานักพิสุนีเนี่ยดึกๆึกไปนะห้ามเป็นอบัต <laughs> มีวินัยอยู่ข้องนั่นแหละ อันในการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยในชั้นต้นเลยก็คือศึกษาให้เห็นไตรสารณคมก่อนอจากประมวลการศึกษาในชั้นชั้นหลังมาแล้วนี่ถ้าเราศึกษาแล้วไม่เข้าถึงพุทธคุณเป็นต้นเนี่ย น, นี้นี่ลำบากแล้วนะเราเริ่มห่างห่างศาสนาแล้วสิ่งสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ามาค่อนข้างประทับใจตอนนี้มากก็คือเรื่องไตสรสารนคมอันน้ ว่าเรามีอะไรเป็นที่พึ่งทางความคิดกันแน่เราปฏิบัติตามหลักธรรมของพระผู้มีพระภาคข้อไหนพระสงฆ์ที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเราได้อุทาหรณ์อะไรจากท่านเหล่านั้นบ้างนะซึ่งเป็นกระทูท้ที่ที่ที่คิดบ่อยมากแล้วก็คิดในลักษณะส่วนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านี่ผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ทรงรู้แปลว่าพระองค์ก็รู้จักเราเป็นอย่างดี พระ อ, องค์รู้จากเราในส่วนไหนบ้างนะส่วนต่างๆที่พระ อ, องค์รู้นี่เราไม่เคยรู้เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างน ะ, ะภาษะเวทนาของเราเรารู้ไหมรู้ไหมรู้ว่าเป็นยังไง ร, รู้ว่ารู้ว่าอะไรภาษะนี่เป็นความประชุมของธรรมะสามอย่างใ ช, ใช่ั้มเรียกภาษะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถ้าไม่มีองค์ประชุมนี่เวทนาไม่เกิด นะถามว่าต่อจากเวทนาแล้วจะเกิดอะไรต่อตันหาเวทนามีกี่อย่างมีมีสามอย่างนะอะ่เมื่อกี้นี่มีเสียงหูทําบุญทางหูมาดีนะในเยินเสียงแล้วอยู่สวรรค์ก็เสียงคล้ายๆแบบนี้นะนะมันก็ดังตลอดอย่างนี้แหละก็ะหึมเพราะเพ่นเล ย, ยอะโยมนั่นแหล ะ, ะเสียงเหล่านี้นี่ให้เวทนาเท่าไหร่ นั่งฟังแนละ้วรู้สึกยังไงม้า ง, างนะถ้าเสียงนั้นบอกโอ้โหนี่เพราะเป็นสุภาษณนะิมิตโุ้ยใครมาตีอะไรราคาญหน้าเดืยวเลยเป็นปฏิฆานิมิตไได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งเราไม่สนใจเลยแต่ก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้วิจัยอะไรทั้งอย่างมีใครมาบ้างนะงนั่งคิดไปอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็น อุเบกขานิมิตอินทรีสังวรศีลได้ไหมสุภานิมิตอินทรีสังวรศีลได้ไหมได้ยังไงโลภะเกิดขึ้นในชาวนะตรงนั้นก็ไม่ใช่อินทรีสังวรศีลโทสะเกิดในขณะนั้นก็ไม่ใช่อินทรีสังวรศีลถ้าโมหะเกิดก็ไม่ใช่อินทรีสังวรศีลแต่บางท่านพอฟังเสียงปั๊บเนี่ยโอ้โหพบในหลวงมีบุญเนาะใช่ไหมคนเนี่ยเทิดพระเกียรติ คนนี่ยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้เป็นกุศลไหมเป็นกุศลประเภทมุทิตาจิตนะมุทิตาด้วยคนมีบุญเนี่ยเขามีความสุขนะขนาดว่าถึงจะครอบรอบวันเกิดก็มีคนเนี่ยนับหน้าถือตาเนี่ยคนเนี่ยแท้สองสารเสริญไม่ว่าทั่วทุกทิศนะทั่วทุกไทยแล้วก็ทั้งเทศด้วยก็มาร่วมกันมุทิตาร่วมแสดงความยินดีที่ในหลวงมีอายุยืนว่าคนมีบุญนี่ดียังไงเอ็งนะถ้าปาลบในลักษณะนี้เป็นกุศลประเภท มุทิตาจิตน ะ, ะมุทิตาจิตขณะนั้นก็เป็นมุทิตาแต่ว่าจะเป็นพรหมมิหารหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าอนุภาพของการพอกพูนแนวความคิดอันนี้บ่อยไหมถ้าพอกพูนความรู้สึกเหล่านี้จนเป็นอัทยาศัยเรียกว่าเจริญมุทิตาพรหมมิหาระนะพอได้ไหมวิธีการเจริญมุทิตาก็พอได้นะเอาไปคิดอย่างนี้เยอะๆบ่อยๆ ในเห็นคนเขามีรถวิบากดีเนาะเขามีรถใช้ก็ยินดีไปกับเขาอ่ะนะเห็นคนคนนี้แจ๋วนะเขานี่มีบุญเก่านะเขาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเกิดแสนยากพระพุทธเจ้าว่าเกิดยากโอ้เขาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดีใจไปกับเขาอ่ะอันนี้เป็นมุทิตาหรือบางคนนี่กําลังตกทุกข์และยากกว่าดีใจสมัยก่อนเขาเคยมีดียก็ชมในตอนที่เขาดียนะมีแต่ยินดีกับสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นมุทิตานะถ้าผู้ที่เจริญมุทิตาเนี่ย เป็นปฏิปักษต่อกิเลสประเภทอิจฉาริษยาเป็นต้นนะจะเป็นกิเลสประเภทอิจฉาริษยาจะไม่ค่อยเกิดเป็นปฏิบักษ์ตรงๆเลยอันมุทิตาพรหมิหารซึ่งเราจะได้ศึกษาต่อไปข้างหน้านั้นก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเอาในหลวงเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ยินดีไปกันในหลวงเรารู้สึกอิจฉาในหลวงไหมไม่รู้สึกใช่ไหมรู้สึกยินดีไปกับท่านอันนั้นเป็นมุทิตาทํายังไงเราจะมุทิตาไปในกษัตริย์ พี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้ญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักไม่รู้จักนะขับไปบนถนนหนทางก็เห็นเออดีนะยินดีไปกับเขาเ อ, อ่ะออขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดีนะอันนี้เป็นเมตตานะหวังเออขอให้ถึงมีความสุขความเจริญประสบแต่ความเรียกว่าประสบแต่โชคลาภนนะหวังแต่ความสุขให้กับเขาอันนี้เป็นเมตตาเมตตา แต่บอกโอ้ัตว์เหล่านี้เนอะเขยังเป็นไปกับชาติชราพยาธิมรณะเดี๋ยวก็อีกหน่อยวันนี้มีความสุขวันหลังเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยอีกแล้วหาความสุขเจริญไม่ได้เนาะสังขารเนี่ยทุกเดี๋ยวก็ไปไ ป, ไปมามากับผ่านโรงพยาบาลเนี่ยรถเข้าออกโรงพยาบาลมากเหลือเกินเนี่ยสแสดงว่าคนทุกคนยากมันเยอะจริ ง, รงๆอันนี้เป็นกรุณาทายังไงเราคิดแบบนี้บ่อยๆถ้าฝึกแนวความคิดในลักษณะนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าเป็นผู้เจริญ พรหมวิหารเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้ามีข้อมูลเยอะเนี่ยขอให้เป็นกุศลไว้ก่อนเอะเอาเถอะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สักอย่างเลยนี่ก็มาัพท์ทั้งหลายก็ไปตามกรรมมอนกันนะกรรมชนิดไหนะครันนี้อกุศลนะ่ะอกุศลให้ผลเป็นสุขมีไหมไม่มีลอกอันเวลาเราทุกข์ก็ไม่ต้องเสียใจนะเออยุติธรรมแล้วนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเราฝึกเจริญบ่อยๆปั๊บเนี่ยอาศัยเวทนาเนี่ยนะมันก็จะไหลไปเรื่อยแบบนี้ก็ได้เพราะเวทนานั่นเองหูได้ยินเสียงใช่ไหมทำให้เกิดเวทนาเป็นไปกับแนวกับความคิดเหล่านี้ทีนี้ถ้าหากว่าเวทนาบางอย่างฟังบางอย่างแล้วเฉยเป็นต้นเวทนานี้เป็นปัจจัยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาถ้าได้สุขเวทนาโลภะบอกอขอให้ได้ฟังแบบนี้นานๆนะชอบมากอันนี้เป็น โลภะถ้าบอกว่าเป็นทุกขเวทนามไม่เพราะเลยอยากฟังอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามอันนี้เป็นโลภะเหมือนกันนะแต่ทีนี้บางอย่างฟังแล้วก็ใช้เฉยมันน่าจะเพิ่มความอีกหน่อยนะไม่น่าเป็นแบบนี้เลยน่าจะดีกว่านี้อีกหน่อยอันนั้นก็เป็นตันหาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือร อ, อุเบกขาก็ตามก็เป็นปัจจัยแก่ตัหา แล้วเวทนาเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากปัจจัยอีกครั้งหนึ่งปัจจัยของเวทนาก็คือภาษภาษาก็เกิดจากการประชุมของธรรมะ3าอย่างอันทำที่ประชุมทั้งสอย่างนั่นแหละเป็นสมุทัยของเวทนาเป็นสมุทัยของเวทนาเราสามารถที่จะวิจัยตรงนั้นลงอริยสัจได้ไหมเวทนาเป็นขันหมเป็นเป็นขันข้อไหน เวทนาขันคําว่าขันหมายความว่าเป็นกองนะคําว่าขันแปลว่าเป็นกอ ง, ท, งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณี็ดไกลใกล้สแสดงว่าไอความรู้สึกที่ว่าเนี่ยนะพอได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกเนี่ยเมื่อวานนี่ถ้าได้องค์ประชุมแบบนี้เรามีความรู้สึกไหมมีเมื่อสิบปีที่แล้วถ้าได้ปัจจัยแบบนี้เราจะมีความรู้สึกไหมสมมุติถ้าหากว่า กลองอ่ะนะถ้ามีคนเอาไม้มาอันหนึ่งมีกลองด้วยทุบเข้าไปต้มมันก็มีเสียงไงพะองค์ประชุมปุ๊บเสียงที่ดังขึ้นมาอุปมาเหมือนกับสมมติเหมือนกับเวทนาอย่างงี้ถ้าได้องค์ประชุมพร้อมปั๊บกระทบกันปั๊บเสียงต้องดังแน่นอนอเมื่อวานหรือว่าวันก่อ น, นอก่อนโน้กนก็ตามถ้าได้สมอย่างประชุมกันคือทวารอารมณ์วิญ ญ, ญาณตาสีจิตเห็นสอย่างประชุมกันรเรียกผัสสะ ภาษานี้เกิดเมื่อไหรเวทนาต้องเกิดแน่นอ น, อนไม่ว่าจะเป็นอดีตอันยาวขนาดไหนก็าตามถ้าได้ปัจจัยปั๊บเวทนาเกิดใช่ไหมอนาคตพรุ่งนี้อีกถ้าได้ปัจจัยสามอย่างนี้เวทนาเกิดไหมเวทนาก็เกิดในภูมิไหนมั่งที่ไม่มีเวทนาเอกวกรภูมินะในอรู ป, ปรพรมเท่านั้นเองที่ไม่มีเวทนาส่วนที่เหลือทุกภพทุกหนทุกแห่งมีเวทนาสามหมเลย นะถ้าพรหมไม่มีโทสะดีอย่างไม่โกรธอรู ป, ปรพรหมก็ไม่มีโทสะแต่พบถ้าเป็นมนุษย์เวทนาสามถ้าเป็นเทวดาก็เวทนาสามถ้าเป็นพรหมเวทนาสองนะทุกขเวทนาจะไม่เกิดกับพรหมเพราะเวทนาเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตก็ได้ปัจจัยเวทนาก็เกิดปัจจัยไม่มีเวทนาเหล่านั้นก็ก็หมดใช่ไหมอย่างเช่น คนที่มีบุตรก็เพลิดเพลินกับไปกับบุตรพอบุตรตายเป็นยังไงไม่ให้เวทนาแบบเดิมเสียใจยจนบ้าไปเลยใช่ไหมเพราะไม่ได้เวทนาเหมือนเดิมแล้วนั้นเวทนานั้นมีอิทธิพลสําคัญต่อความคิดมากนะเวทนานั้นเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยแก่ความคิดในขณะนั้นๆตลอดเลยแต่ว่าสิ่งที่ลืมไม่ได้ส่วนหนึ่งก็คือการสะสมมา การสะสมก่อนหน้านั้นมาว่ากุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้อากุศลก็เป็นปัจจัยแก่อากุศลได้กุศลก็เป็นปัจจัยแก่อากุศลได้อากุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้ด้วยอํานาจอุปนิสัยปัจจัยนะเป็นได้หมดเลยฟังธรรมะวันนี้เนี่ยได้ยินเสียงฟังพระเทศเนี่ยนะเป็นปัจจัยขณะที่ฟังเนี่ยเวทนาเนี่ยเกื้อกูลต่อชวนะที่เป็นกุศลกุศลอันนี้วันหลังอกุศลเกิดได้ไหม ได้กลับไปบ้านเห็นคนอื่นโอ้ยมีใครดีสักคนเลยเราเนี่ยศึกษาธรรมะมาแล้วนะนะมาณเกิดละอันนี้เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอะกุศลกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้ไหมมีการปรับปรุงสมัยก่อนเนี่ยโกรธมากกว่านี้เกิดเหตุการณ์นั้นไม่โกรธเลยอย่างนี้เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลแล้วถ้าหากว่านางฟังเนี่ยไม่ใครเข้าใจเลยนีย่ชักเดือดเดือแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวจะกลับไปไปนค้นให้แหลกเลยอ่ะนะอ่านจนเข้าใจอะ่ะความไม่รู้ขณะนี้เป็นอกุศลอกุศลเป็นปัจจัยให้ค้นคว้าต่อไปอันนั้นเป็นกุศลท่นานอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรือฟังขณะนี้เป็นอกุศลยุงกวกัดแมลงกว่าตอมฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกลับไปเลิกพอแล้วนะหันไปทํากรรมเหมือนเดิมนี่กว่าอันนี้อกุศลเป็นปจัจจัยแก่อกุศล ดันความรู้สึกของเราที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยปัจจัยมาจากอดีตตั้งมากมายเป็นเหมือนกันกับวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นถ้าได้ปัจจัยปรับความคิดก็จะเกิดได้ปัจจัยปรับความคิดก็จะเกิดความรู้สึกก็จะเกิดปัจจัยที่ทําให้เกิดนั่นแหละคือสมุทัยสัตว์นั่นแหละนั่นคือสมุทัยสัตว์ถามว่าเวทนาที่เกิดขึ้นดีไหมเวทนาเที่ยงหรือเวทนาทั้งที่เป็นอดีตเทีเ่ยงหรือไม่เที่ยง นะทั้งสุขเวทนาทุกขเวทน า, ทขขนาอุเบขาวเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกขควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นนะเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราควรไหมไม่ควรโอ้สาธุแจว่นะพอกพูนความรู้อันนี้มากๆากฮะการเวทนาทอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอนาคตเนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยพร้อมปั๊บเวทนาก็เกิดเวทนาเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข เป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเรานั่นแหละแล้วเวทนาที่จะเกิดในขณะนี้ใช่ไหมอาศัยปัจจัยสามอย่างผัสสะมีเวทนาก็มีถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปเช่นอายตนะภายในดับอายตนะภายนอกไม่มีมนัสิการไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดขณะนี้เวทนาที่เป็นปัจจุบันเที่ยงไหมไม่เที่ยงจะไม่เวทนาทางตาบ้าง สักพักมีใครพูดเวทนาทางหูอีกแล้วยุงมากัดใน่ อ, อาเวทนาทางกายเดี๋ยวก็ปวดโน่นเจ็บนี่ก็เวทนาเนี่ยสลับหมุนเวียนแต่ละทวารไปได้ปัจจัยทวารไหนเวทนาก็เกิดทวารนั้นถ้าหมดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่มีมรณิการเวทนานั้นๆเป็นต้นก็ไม่เกิดนะมันเวทนาที่เป็นปัจจุบันก็เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เ, เขาบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นอ่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นตัวตนของเราตรงนี้เนี่ยทำให้เห็นสัจจะกี่ข้อแล้วนะสัจจะสามข้อข้อที่หนึ่งคือทุกขสัจ ต, ตัวเวทนาเป็นทุกขสัจปัจัยแห่งเวทนาเป็นสมุทยัยสัจน ะ, ะปัญญาที่ตามเห็นว่าเวทนาเป็นต้นเนี่ยไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอันนั้นเป็นตัวปัญญานั้นเป็นมัคคสัตถ์ก็ พ, กพ่อกภูเนี่ยนะเขาบอกว่ า, าภิกสูในธรรมวินัยนี้เจริญสมมติว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงไอปัญญาอันนั้นเรียกว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคา้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ น้อมไปเพื่อการปลดปล่อยการยึดถือสิ่งเหล่านี้น้อมไปเพื่อการปลดปล่อยจากอุปาทานในเวทนาเหล่านั้น น, นะเวทนาเป็นอารมณ์ของกามุปาทานได้ไหมได้นะเวทนาเป็นอารมณ์ของทิฏฐุปาทานได้ไหมเวทนาเป็นอารมณ์ของสีละพัตุปาทานไหมเวทนาเป็นอารมณ์ของอัตวาทุปาทานไหมอันเจริญธรรมวิจยสามพุชงเป็นต้นเนี่ยเพื่อสละอุปาทานสีนี้ เพราะภูนเวทนาตามเห็นเวทนาเนี่ยเมื่อมีปัจจัยพร้อมเวทนาก็เกิดเมื่อหมดปัจจัยเวทนาก็กหมดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะมีภาษะเวทนาจึงมีถ้าภาษามดเวทนาก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสำโรอกอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือเมื่อรู้ความจริงเข้าสองอย่างนี้เป็นสัจจะไหม ภาษาเวทนาเป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะถ้าไม่รู้เป็นต้นเป็นอวิชชาเมื่อพอกพูนความรู้เหล่านี้รู้เท่าไหร่ก็ละอวิชชาได้เท่านั้นก็เจริญสติสัมโพชงธรรมวิจยะสามโพชงเป็นต้นเนี่ยนะวิริยะสามโพชงปีติสามโพชงปัสสัตทิสามโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบขาสัมโพชงเจริญไอตัวความรู้อันนั้นเป็นต้นเนี่ยนะกุศลธรรมอันนั้นพอกพูนให้มาก เจริญสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อการสลัดผู้ที่จะสลัดได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าถึงอริยธรรมอันเป็นโลกุตระเข้าถึงโลกุตระสารนาคมอันแต่ในชั้นต้นเลยนั้นน่ะธรรมมังสรนางขาฉามิในข้อปริยติสัตธรรมเราต้องแม่นต้องให้เข้าใจให้เพียงพอเพราะเป็นเมื่อกี้บอกว่าธรรมวิจยะสมโพชงใช่ไมธรรมวิจัยตัวนั้นวิจัยเพื่ออะไรวิจัยเพื่ออะไร วิจัยเพื่อรู้อริยสัจวิจัยมีกี่ระดับสมระดับนะระดับยาตะปริญญานะชัะ้นวิจัยจริงๆแล้วนะชัะ้นสุตะทั่วไปเขาเรียกว่าหาข้อมูลอยู่ชั <laughs> ้นหาข้อมูลแต่ว่าบางคนขณะที่หาข้อมูลก็เริ่มทําวิจัยไปด้วยนะหาข้อมูลไปด้วยวิจัยไปด้วยแต่บางคนที่หาข้อมูลจนพร้อมแล้วจึงเน้นการวิจัยนะเมื่อไหร่ กุศลต้องเกิดขนาดนี้นะแต่ว่าอารมณ์ของกุศลเนี่ยนะอตีตานาคตะปัจจุบันังอจตังวาปหิทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรวาสันติเกวาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกลใกล้แต่กุศลพมบอกว่าความเพียรความเพียรก็คือตัวกุศลใช่ไหมควรทําในวันนี้แหละ ใครเล่าจักรู้จักความตายในวันพรุ่งนะฮั้นตัวกุศลจิตต้องมันพอกพูนขณะนี้เวลานี้แต่สิ่งที่กุศลจิตรู้นั้นไม่จํากัดการนะไม่จํากัดการมันะการพิจารณาพวกนี้ถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขของตัดใจเป็นต้นเราก็จะเข้าใจสัจจะสองคือทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นอย่างนี้นี้เราก็หมุนไปหาข้ออื่นๆอีกนะพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องนี้ โดยละเอียดโดยที่ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนนั่นแหละคือสัมมาสัมพุทโธนะพระองค์รู้วิชา น, นี้โดยที่ไม่มีใครสอนพระองค์เลยเพราะฉะนั้นทุกบทนะสงเคราะลงอริยสัจหมดก็ได้ยินนะเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทานะถ้าเอาเอาแบบเต็มสูตรในขันก็คือขรูปรูประขันเนี่ยนะเรืบสมุทัย รูปนิโรธรูปนิรปนโรธค า, ามินิปฏิปทางันรูปนั้นะเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์ของเวทนาใช่ไหมอย่างเช่นตาเนี่ยเป็นวัตถุที่อาศัยเกิดของเวทนาสีเป็นอารมณะปัจจัยของเวทนาสีเป็นอารมณะปัจจัยของจักขุสัมภสชาเวทนาหูเป็นวัตถุที่อาศัยเกิดของ ของเวทนาเสียงเป็นอารมณะปัจจัยของเวทนานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่ารูปเนี่ยมันใหญ่มากมันชัดอ่ะเวทนานี่มันชัดอันดับสองพระองค์ก็เลยตั้งเวทนาต่อังนั้นตัวหูหรือว่าตาสีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์บอกเลยนะว่าอริยสัตร์นี่ประชุมลงที่กายาวานะอย่าไปประชุมลงที่ต้นไม้ใบญ้าเพราะฉะนั้นตาสีเน้นที่สีที่เป็นกรรมชรุ นะเน้นที่กรรมชรูปวันนี้ก็อ่านในอุทานมาอ่านในอุทานนี้ก็บอกพูดเหมือนกันเลยท่านก็รับรองว่าการพิจารณานั้นต้องพิจารณานในตนในร่างกายเน้นมากทําไมกรรมฐานที่พระบวชมาเน้นตะจะปัญจกะกรรมฐานก็คือเน้นสีคือผมเน้นสีคือขนเน้นสีคือเล็บเน้นสีคือฝันเน้นสีคือหนัง เกสาโลมานาขาตันตาตโจโดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเชษโดยกลิ่ น, นวิจัยพวกนี้บ่อยๆเข้าอันนั้นสีคือผมเป็นต้นเป็นอา ร, รัมมณะปัจจัยของเวทนาได้เสร็จแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็ประชุมลงอริยสัจเลยใช่ไหมรูปรูปสมุทัย รูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธคามินีปฏิปทาสังขารนะเจตานาเนี่ยเป็นประธานของสังขารความจงใจทางตาเรียกว่ารูปประสันเจตานาจงใจทางหูเรียกว่าสัญ อันนััทธสัญเจตนาอันเจตนาเจตนาสมุทยัยเจตนานิโรธเจตนานิโรธาขามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทยัยอายกตัวอย่างจากักขูวิญญาณจากักขูวิญญาณสมุทยัยจกักขูวิญญาณนิโรธจกักขูวิญญาณนิโรธาขามินีปฏิปทาอันต้องมันสังเกตพวกนี้ดูเพรา ะ, ะนั้นข้อความในในขันธบั พ, พสติปทานสูตรกล่าวว่า นะว่าพึงรู้จักวันนี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปนี้ความดับไปของรูปรูปเนี่ยนะแยกเป็นรูปยี่ปดใช่หัหยสำนวนค้นหูมากรูปยี่ปดอะไรบ้างอะ่ะปัทวีเตโชอาโปนเนี่ยก็นึกได้ชื่อถามา ด, ดีไหมก็ดีกว่านึกอย่างอื่นอะ่ะแต่ว่าควรที่จะมีสภาวะรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหมหาภูตรูป ในกายนี้ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อให้มันได้ทั้งอย่างหนึ่งอ่ะนะนั่นคือปฐวีอาการที่มีลักษณะแข่นแข็งที่มีอยู่ในกายนี้นั่นคือปฐวีนะธาตุน้ำที่เ อ, อิบอาบคือน้าดีน้ำเงื่อนน้ามันข้นน้ำมันเหลวน้าไข้ขอ้อน้ำเลือดน้ามูดน้ำปัสสาวะเป็นต้นพวกนี้เป็นอาโป ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตามลมในท้องในลาใําไส้ลมหายใจเข้าออกลมพัดทั่วสารพรางกายอันนี้เป็นวายโยเ <c oughs> คยเน้นที่นี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเตโชใช่ไหมธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะหน้าหนาวนี่เห็นชัดเลยอบอุ่นขึ้นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายไม่น่าปรารถนาก็คือทําให้มันโซมาแก่ขึ้น ท, ทุกคนนะถ้าธาตุไฟไม่เผานะั้นไม่แก่หรอก แ ล, แล้วต่อไปธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไข้เป็นไข้ไข้ขึ้นอ่ะนะไอแคคๆๆคเนี่ยโอ้ความร้อนเนี่ยสปีดตัวขึ้นทันทีเลยไอมากสปีดมากเอ้ความร้อนนี่มันเซอรอสัตดหน้าเดือวกั น, กนได้ปัจจัยเพิ่มความร้อนเกิดขึ้นเลยอืมอันนั้นคเครียกว่าธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้นะป่วยไขย้อันไข้ขึ้ น, ก, นก็คือความร้อนใช่ไหมไข้ก็คือความร้อนนะครับปั้นก่อนเข้าอะไรแล้วพวกการมาวัด อาประหลอดมาวัดใต้ลิ้นเน่ยเนาะบอกไข่ขึ้นนิดๆเท่านั้นแสดงว่าไอมาก่อนอันนี้นี่อาโรคของตัวเองนะอาโรคคนอื่นไม่ได้เอาไว้ <c oughs> แล้วธาตุไฟอีกตัวหนึ่งก็คือไฟในการเช่วยย่อยอาหารถ้าหากว่าคนธาตุไฟไม่ค่อยดีนี้อาหารทานเข้าไปจะไม่ย่อยอนะคนจะสุขภาพดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ธาตุไฟในการย่อยอาหารนะธาตุไฟอันนั้นเกิดจากกรรมทําไมแต่ละคนสุขภาพดีหรือไม่ดี นันถ้าหากว่ามหาภูตรูปดินน้ำลมไฟอยู่ในกายนี้มหาภูตรูปอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นที่อาศัยของอุปาทัยรูปเป็นที่อาศัยของอะไรตาเนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูปที่ว่าเมื่อกี้ตาอยู่ได้ไหมไม่ได้จัคคูภาษาทะอยู่ได้ไม่ได้โสตตาภาษาทะใช่ไหมคานาภาษาทะชิวหาภาษาทะกายประสาท ะ, ะ ส, าาสี ถ้ามหาภูตรูปสีนะอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติดูนะสีเปลี่ยนด้วยสีหน้าถ้าหากว่าคนเนี่ยธาตุไฟมากสีหน้าเปลี่ยนธาตุดินมากสีหน้าเปลี่ยนธาตุน้ํามากสีก็เปลี่ยนธาตุลมมากสีก็เปลี่ยนตามแต่มหาภูตรูปเพราะสีเป็นอุปาทายรูปตาสีพื้นฐานมาจากอุปาทายรูปมหาภูตรูปใช่ไหมคำพูดที่พูดออกมาเป็นเสียงใช่ไหม ก็คือปฏิวีาธาตุกระทบปฏิวีาธาตุนะพวกกลอดลมพวกนี้ก็คือคืออะไรคือปฏิวีาธาตุมหาภูตรูปกระทบการเข้าเกิดเสียงขึ้นหูก็ได้ยินเอพูดเองก็ได้ยินเองกันเนะืนั่นแหละคนอื่นพูดก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็สมุทนันคล้ายๆกันแต่ว่าจิตที่เป็นเหตุให้พูดอาจจะต่างกันอันพวกนี้คือรูปธรรมแล้วปัจจัยที่ทําให้มหาภูตรูปคือาธาตุดินเกิดมีอะไรบ้าง สมัยปรมหาภูตรูปคือผมเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารกรรมอะไรที่ทําให้มีเส้นผมทําไมบางคนเนี่ย โ, โหผมงามงามบางคนเนี่ยผมไม่งามเลยนะในขณะแต่งมาเท่ากันนะเข้ามาช่างเดียวกันแต่งผมไม่ความงามเกิดไม่เท่ากันเลยอันนี้มาจากกรรมที่แตกต่างกันสองจิตแตกต่างกันบอกว่าโหเรียนมากผมนี่งอกเลยอันนั้นเนี่ยจิตเป็นบทฐานผมเข่าขึ้นงั้นนะเครียดมากๆเนี่ยเขา่า แล้วอันนะอาหารนี่ก็เป็นปัจจัยให้เส้นผมเนี่ยเปลี่ยนได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเราเน้นไปที่สีอันนะอุตุก็เหมือนกันอูตุก็ทําให้สีเนี่ยเปลี่ยนไปหั่นกรรมจิตอูตุอาหารเนี่ยเป็นปจัจจัยกรรมจะให้ผลได้เพราะอะไรจิตกรรมจึงให้ผลทําไมกรรมจึงให้ผลถ้าไม่มีตันหาสักอย่างนะกรรมจะไม่ให้ผลเลยนะตันหาจึงเป็นสมุทยัย เป็นเหมือนกับแม่กรรมนี่เป็นเหมือนกับพ่อทําให้มีรูปอันนั้นขึ้นรูปคือผมนั่นแหละก็คือนั่นแหละก็คือนี้ผมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปผมอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะกรรมจิตอุตตูอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีปัญหาปั๊บเนี่ยกรรมบางอย่างทําให้คนเนี่ยผมร่วงเลยนะผมเนี่ยกรอบไปเลยก็มี ตากแดดมากๆผมเนี่ยกรอบให้ยาเนี่ยผมก็ร่วงเหมือนกันเจนพออันนั้นอาหารไข้ก็ผมหงอกมนกันนะผมร่วงงั้นถ้าเราวิจัยบอกถ้าปัจจัยมีนะพระองค์บอกว่าเลยนี้รูปนะสมมติเรายกเส้นผมมานี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปอะไรเป็นปัจจัยให้รูปเกิด รูปคือเส้นผมเนี่ยเกิดนี้ความเสื่อมไปแห่งรูปใช่ไหมผมอันนั้นเนี่ยนะใครเคยร้อนตรงโคนผมบ้างเคยร้อนไหมร้อนเส้นผมไหมเคยไหมข้างล่างนะที่รากผมเนี่ยนะรู้สึกคันเอาเคยคันมเงี้ยเออนั่นแหละร้อนอ่ะค <laughs> ันกับร้อนอันเดียวกันนั่นแหละร้อนไม่ใช่เหมือนผิงไฟนะ <laughs> มันก็คือออกมาในรูปแบบคันเป็นต้นไอ้ความคันนั้นเป็นเวทนา นั่นแหละเวทนาทำไมเวทนาจึงเกิดใช่ไหมเพราะในรูปคือผมเนี่ยมีกายะปะสาทะอยู่ตรงนั้นด้วยที่รากนะมีกายะปะสาทะกระทบกับผิวหนังหรือว่าเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งในนั้นะ่ะเพราะในนั้นมีเตโชธาต์อยู่ด้วยก็ทำให้เกิดอาการคันขึ้นอาการคันอันนั้นคือเวทนาเวทนาเพราะอาศัยอะไรวัตถุ ค, คือผมอารมณ์คือเตโชธาตแถวนั้นอะ่ะทให้เกิดความร้อนขึ้นใช่ อันเวทนาก็เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยแต่พวกนี้เป็นชาติอะไรเวทนาเป็นชาติกุศลอกุศลวิบากกิริยาเป็นอะไรเป็นชาติวิบากนะเวทนาอันเป็นชาติวิบากทุกขากายยะวิญญาณนะขันเนี่แสดงว่าไม่ใช่ผลของบุญแน่นอนเลยเนะะาะนั่นแหละอกุศลวิบากเกิดขึ้นอันเวทนาก็เกิดเมื่อความรู้สึกสิ่งใดก็จะจําสิ่งนั้นสัญญาขันก็เกิดตรงนั้นเพราะมีภาษะ ภาษานี้ทำให้เกิดเวทนาด้วยภาษาทำให้เกิดสัญญาด้วยภาษาทำให้เกิดสังขารด้วยนามรูปทำให้เกิดวิญญาณนะกายกับโพธภาภะอ น, นั้นเป็นรูปนะนามาทำที่เหลือเป็นนามทั้งหมดนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนั้นอุปาทานขันห้าตรงนั้นก็มีอยู่แล้วนะนี่ความนี้อุปท า, านขันห้านี้ความเกิดขึ้นของ อุปาทานขันห้านี่ความเสื่อมไปของอุปาทานขันห้าทีนี้เราเปลี่ยนมาที่อื่นอีกใช่ไหมขอเนี่ยก็นั่ ง, น, งนั่งคิดเส้นแต่ละผมแต่ละขนแต่ละแต่ละเส้นแต่ละเส้นนี่บอโอ้โหได้เป็นชั่วโมง น, นะนะลองฝึกอย่างนี้นะแล้วขนตรึกแบบนี้บ่อยๆมาที่เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะให้มันพิจารณาทุกอย่างในกายทั้งหมดเลยเสร็จแล้วนะของก็มาเชื่ออะไรใครตรึกได้ตามนั้นคนนั้นจะเปลี่ยนคนละคนไปเลย คนนั้นจะเปลี่ยนไปคนละคนถามว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนในทางดีขึ้นนะไม่ได้เรีอย่างน้อยที่สุดเรื่องกรรมเขาจะแม่นขึ้นจะมีฮิริโอตะ ป, ปะจะอายชั่วกลัวบาปมากขึ้นจะไม่กล้าปล่อยให้ชาวนะที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะถ้าสายโทสะเกิดบ่อยๆคนโกรธย่อมมีผิวพรรณซามเนี่ยนะกรรมที่ทําให้คนไม่งามเพราะโทสะเป็นต้นทําไมบางคนเนี่ยจึง สุขภาพจึงไม่ดีเพราะเบียดเบียนสัตว์เป็นต้นนะเพราะจะศึกษาเรื่องชาวนะที่ให้ผลมาเป็นกรรมมาชโลภเหล่านี้จะเริ่มเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างดีกรรมอะไรที่ทําให้มีตากรรมอะไรที่ทําให้มีหูกรรมอะไรมาเบียดเบียนตาไม่ให้เห็นชัดนะกรรมอะไรทําให้หูไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยจะเริ่มศึกษาเรื่องกรรมขึ้นเพราะจะเริ่มรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อเริ่มรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะเริ่มรู้ว่ากระแสะแห่งชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ชาวนะ ชวนะถ้าชาวนะนั้นเป็นไปกับโลภะนั่นแหละโลภะเกิดเมื่อไร่พระองค์บอกว่าทุกเกิดแล้วนะปุณ น, นะในในปุณโนวัตสูตรเนี่ยกล่าวว่าอย่างนั้นในอารมณ์ทั้งหเลยนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะและธรรมารมณ์ถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณ น, นะทุกในที่นี้หมายถึงวัตถทุกนะไม่ใช่ว่าเอาแค่ทุกเราๆนะทุกคือเจ็บอย่างเดียวเนี่ยทุกคือความเสียใจยอันนี้แบบเราแค่ปะ บอกว่าวัตถุเกิดขึ้นแล้วนะถ้าความเพลิดเพลินในสีมีต้องได้พบที่มีสีถ้าเพลิดเพลินในเสียงต้องเกิดในพบที่มีเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นต้องเกิดในพบที่มีกลิ่นเพลิดเพลินในรสได้กินอีกนานเกิดในพบที่มีรสเพลิดเพลินกับเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ไม่ได้เกิดเป็นพรมแน่นอนเั้นเกิดในกามภูมิยงเลยนะถ้าเพลิดเพลินในในความคิดหรือธรรมรมณ์ก็ยังมีพบ นพระ อ, องค์บอกว่าถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุนะเพราะนั้นจึงไม่ต้องห่วงวันนี้เนี่ยเพลินกับอารมณ์กี่อย่างบ้างที่สุดแห่งทุกจะอยู่ที่ไหนนะถ้าตัวกุศลชั้นปริญญาไม่เกิดเนี่ยเสื่อมแน่นะพระ อ, องค์บอกว่าเลยว่าอ่าเขาบอกว่าผู้ที่ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีฮิริโอต ป, ปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเหมือน เหมือนคนเอาไ ป, ไปไปทิ้งไว้ในนรกช่นนั้นแหละไปโย<อ> น, <ใ>นทิ้งไว้บอกไปโยนทิ้งไว้ด้วยเหมือนไปโยนทิ้งไว้ในนรกถ้ากุศลจิตเหล่านี้ไม่เกิดนะเสื่อมแน่เพ ะ, ะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไปอบายก็บสำนวนเขาเขาบอกว่าเหมือนกับขนโคอะ่ะที่ไปสุคติเหมือนกับเขาโคแล้วเราเป็นขนหรือเป็นเขาเขาเขาเขาเขา เออแล้วกูสลชนิดไหนจะให้ผลนําเกิดเอาลองไล่ดูสิวันนี้นั่งสนทนากับพาะบอกว่าเอานะถ้าเกิดจะตายตรงนี้พอนึกอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าไปดีแน่นอนเลยเนะนนึกให้มันอะไสักอย่างนึกแลยยิ้มไม่กลัวแล้วพบหน้านี่นพวกการนีวคงมีเยอะนะผมยังนึกในใจนะเอ่ห์ให้อาหารปลาทุกวันทุกวันนะอยากจะทําให้มันเป็นอาจินกรรมนะฮะเจนทายเอถ้าเกิดตอนจะตายนี่นึกอะไรไม่ออกนะนึกนอนให้ปลาเอ๊ะมัน ทุกคนมันรู้จะไปไหนกันนะเป็นปลาละยุ่งเลยนะให้ท่านนึกถึงกุศลน่ะนะนึกถึงนิมิตในลักษณะกุศลก็ก็ไม่เป็ น, นะแต่ก็คิด<ะ>ดูนะชาติหน้านะจะมีปลาเป็นอารมณ์ทั้งชาติอโอ้โหยังงั้นใช่ไหเอาเอาก็อารมณ์ของผวังขจิตไงคืออยากจะทําอะไรให้เป็นอาราจินกรรมอะตัวทานเนี่ยนะมันต้องนิมิตของทานอนั้นต้องเป็นข้าวที่เราให้ไปไม่ใช่เป็นนึกถึงปลาโอ้โหปลาตัวนิ่ง จังเลยนะโอ้วยังปลาในตู้กระจกสีงามมากไม่แน่นะอาจจะเกิดในตู้กระจกจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าทานนักุศลเนี่ยทานก็คืออะไรให้อาหารเนี่ยต้องนึกถึงอาหารนะอันนั้นเป็นตัวกรรมมะนิมิตอารมณ์คือคือตัวอาหารที่ให้ไปไม่ใช่ไปนึกถึงตัวปลาแต่นึกถึงอาหารที่ให้ไป<ต>หรือไม่ก็นึกถึงกุศลเจตนาแต่พอนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะก็จิตเบาขึ้น ถึงแ<ช>ม้มว่าจะนึกถึงปลากรดีหรือเห็นกําลังมองเห็นภาพกำลังให้อาหารตัวดีนี่นะครับนึกแล้วก็สบายใ จ, จ ไ, มไม่ค่อยไม่หนักนผมคิดว่าถึงแม้จะเป็นกุศลเล็กน้อยเพราะว่าให้อาหารกับสัตว์เนี่ยมันกุศลเรียกว่าทานขั้นต่ําต่าแล้วทําไมไม่โหอ่านพระไตรปิฎกมาทุกวันก็จําภาพแม่จําพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งนะเออพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งว่ายังงั้นอย่างงั้นยางงั้นเล่มที่สองว่าอย่างงั้นยังงั้นเออวันนี้พวกการก็ถวายพระไตรปิฎกอีก เอาพรตรวิฎกมาก็นึกถึงพระไตรปิฎกนวดเป็นไรก็ดีก็เอาใหม่ครับเอามันสูงๆหน่อยคืออยากจะทําหน้าที่มันเป็นอาชินกรรมนะเพราะว่ายังไงจับชวยอะไรไม่ได้เล็กอย่างเลยเช่นทพอนั้นเราต้องพยายามนึกถึงกุศลบ่อยๆนั้นจึงจะต้องถามถึงความพร้อมไหมนั้นพระองค์จึงสอนให้เจริญมรณานุสติสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยเรามีประสบการณ์ในชีวิตเรารู้จักคนมามากมาใช่ไหม ไล่เลยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยรู้จักใครบ้างเหลือหรือเปล่าพวมพวกนั้นอะ่ะเสร็จแล้วก็เอ้เราก็จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วคนต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็ตายเหมือนกันแต่ตามระลึกอย่างนี้ไม่ใช่นั่งร้องไห้อันนี้โทสะนะ น, นี้นึกอย่างนี้ยิ่งนึกมากยิ่งบากแต่ถ้ายิ่งนึกแล้วจะผ่องใสทําให้ใจเนี่ยโหมั่นคงในกุศลมากขึ้นทั้นการเจริญมรณ า, านุสตินั้นก็เป็นปัจจัยทําให้เราไม่ไม่ประมาทแต่ถ้า น, นึกแล้วเสียใจนะแสดงว่าวิปัสสาน คือเราทำบุญไม่ไม่เพียงพออ่ะทำบุญนี่หมายความว่าไงต้องต้องนี่ผู้เรียร้ารหรือเปล่าต้องทำบุญให้พอนี่ผู้เรียราย้าไหมบุญเป็นยังไงบุญกิริยาวัตถุสิบนี่อย่านึกถึงทานอันเดียวใช่ไหมเอาศีลสักข้องก็ยังดี่สมาทานศีลเลยนะทานศีลภาวนานะนึกถึงเคยสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้อัปปจายมัยก็ได้ใช่ไหมสวดมนต์ไหว้พระก็กุศลประเภท อ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยใช่ไหมก่อนเรียนก็อรหังสัมมาสัมพุโทโธพัควานี่ก็เป็นสัมมารมได้เป็นอย่างดีงกันเลยนะนะเลิกเรียนก็สวดมนต์อีกอุทิศส่วนกุศลอีกมันบุญเนี่ยเกิดบ่อยนะถ้าเราฉลาดคิดให้เป็นบุญปัจจัยที่จะให้คิดถึงบุญเนี่ยมีตั้งมากมายแล้วบุญตัวนั้นนั่นแหล ะ, ะบุญกรรมตัวใดตัวหนึ่งนะกรรมตัวนั้นให้ผลนั่นแหละคุณภาพชีวิตชาตินั้น ถ้าหากว่ากรรมชนิดใดให้ผลนั่นคือคุณภาพของกรรมชาตินั้นเมื่อวานที่คุณธรณีเอาหนังสือจูรธรรมมาสมาทานสูตรอัตถาไปให้ดูเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าคนนะขณะทํากุศลเนี่ยนะโลภะก็แรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงเกิดชาติหน้าไม่ดีแปลว่าโลภมากโกรธก็เก่งโง่ต่างหากนะประเภทแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งมีกําลังสมมุติถ้าทำบุญเนี่ยนะช่วงทําบุญอยู่เนี่ยโทสะแรงมากทํำไปด้วยด่าไปด้วยอย่างเคยเห็นไหมมาเคยเห็นแสดงว่ายังสู้พระไม่ได้พาไปบินทบาทเนี่ยนะแม่บางคนเนี่ยเรียกลูกให้มานสายบาดใช่ไหมหรือบางทีด่าลูกอยู่ใช่ไหมเห็นพามาไปใส่ายบาดซาก่อนแต่แล้วกลับไปด่าดต่ อ, อเนี่ยโทสะมีกําลังมากถ้ากรรมอันนั้นให้ผลในชาติหน้าเป็นคนนิยมกโกรธเลยอ่า หรือไม่ก็กรรมประเภทที่ว่าขณะที่ทำเนี่ยกำลังยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างรุนแรงแล้วก็ทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไปถ้ากรรมอันนั้นให้ผลนะชาติต่อไปเป็นคนที่เรียกว่าโลภเป็นอัธยาศาัยนะเรียกว่ายึดติดมากเลยแต่ถ้าหากว่าขณะที่ทํานี้เมาด้วยทําไปด้วยอะไรเนี่ยอันนี้ชาติหน้านี่โง่เป็นอัธยาศาัยเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าขณะที่ทํอาอกุศลตัวใดตัวหนึ่งมีกําลังแสดงว่าพบหน้าอากุศลประเภทนั้นจะ จะไปมีเป็นเจริตเป็นอัธยาศัยของบุคคลนั้นเลยงั้นเราก็พยายามเทียบเคียงเราเออกุศลที่เราทำเนี่ยบุพเพเจตนาดีไหมมุนจนะเจตนากําลังทําดีไหมอปราราปริยะเจตนาดีไหมนั่นแหละคืออัธยาศัยเมื่อที่จะเกิดในภพต่อไปแล้วกุศลนั้นๆที่ทําไปนี่เป็นอสังขาริกหรือสังขาริกในขณะที่ทํากุศลนั้นภพต่อไปนั้นจะเป็นอสังหรือสัง ใช่มโ้ยบางคนเนี่ยนะทำกุศลเนี่ยชวนยากจริงๆเลยพวกนี้กรรมท่ากุศลอันนี้ให้ผลนําเกิดก็เป็นสัสงขาริกคนเอวยหน่าดูเลยนะต้องฉุดนี่นแหละเขบอกว่าถ้าปลูกให้ตื่นนอนก็ต้องสาดน้ำ น, นี่นแหละจึงจะตื่นได้อย่างไงี้ยอ่าแล้วยาณสัมประยุทธ์หรือวิปประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งว่าขณะที่ทํากุศลนั้นมีความเข้าใจในเรื่องนั้นขนาดไหนนั่นแหละพบต่อไปว่าจะยานะสัมประยุทธ์หรือ วิยปยุทธ์บางคนเนี่ยทาไปด้วยความสุขยิ้มแย้ ม, แ, ยมแจ่มใสาชาติหน้าเป็นมหากุศลประเภทสองมนั์นําเกิดนะแต่ถ้าหาว่ากรรมที่ที่ทําเนี่ยทาไปด้วยใช้ไปด้วยอันนี้กุศุประเภทอุเบกขาทําแบบนี้บ่อยๆชาติหน้าก็ใช้อีกนั่นแหละฉันตัวนี้เป็นเครื่องวัดอ่ะเพลดิดเพลินเกิดละเราก็ยังยินดีในสีเสียงกลิ่นรสโพธภะเกิดแน่แต่กรรมชนิดไหนนําเกิดอ่ะก็วิจัยแบบเมื่อกี้ไง แล้วเราจะรู้ว่าสมควรเกิดที่ไหนนะวิจัยพบหน้าได้เลยเนอะแล้วพระองค์บอกนะถ้าหากว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัท ธ, ธาศีล ส, สุตะจาระะปัญญาเลือกพบเกิดได้เลือกเป็นมนุษย์มหาสารเทวดาชันจาตุมยามาดุสิตนิมมานรดีประนิมแต่วสวัสดีก็ได้ถ้าเรารู้ว่าพบต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนก็มาพอกพูนศรัท ธ, ธาอะไรเป็นอาหารของศรัท ธ, ธาใช่ไหม ผู้ตะคุณเป็นต้นเป็นอาหารของศรัทธาอะไรเป็นอาหารของศีลฮิริโอตาปะเป็นอาหารของศีลก็หาข้อมูลให้เกิดหิริโอตาปะให้มากๆอะไรเป็นอาหารของสุตะน่าจะพระไตรปิฎกเนาะนะอาหารของสุตะก็พระไตรปิฎกอะตอนนี้อ่านมากๆนั่นนะนัคือสัพ์พระไตรปิฎกนี่ใช้คําว่าศัพ์ใช่ไหมศรัทธาแปลว่าเสียงอันถ้อยคําที่อยู่ในนั้นก็คือเสียงนั่นเองนั่นแหละอันการอ่านก็สงเคราะห์นายการ ฟังจากฆ่าสละอะไรนะสละกายกรรมวิจิกรรมเป็นต้นนะถ้าเอาแบบสูงๆหน่อยถ้าสละแบบธรรมดาก็วัตถุเข้าของเครื่องใช้แล้วปัญญาสัมมาทิที่เรามีขนาดไหนมันถ้าประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างเหล่านี้เลือกพบเกิดได้นะเลือกเกิดได้นะจะเอากุศลประเภทไหนนําเกิดก็ได้ถ้าเรามั่นใจขนาดนั้นถ้าจะเจริญจิตให้เป็นฌานจิต พรห ม, มิหารระดับชานเลือกเกิดเป็นพรหมได้ถ้าได้ปรถมมาชานปับ๊บกับสามชั้นเลยสาขั้นถ้าไม่ค่อยชํานาญเลยปริแอปริสัทชาพรหมโอ้โหแถบทะปานกลางทรงตัวอยู่อันนี้เป็นปุโรหิตาพรหมถ้าเจริญจนชํานาญแคล่วคล่องหม้จะต่อชานสูงๆต่อไปอีกแต่ไม่ได้ชานหรอกไม่ได้ชานสูงสูงหรอกได้แต่เพราะชานที่หนึ่งอย่างชํานาญคล่องแคล่วอันนี้เป็นมหาพรหมนะตามสมควรแก่เจตนาเลยนะ เจตนานิ i s ซื่อสัตว์ที่สุดคำว่าอารหันต์อยู่คำหนึ่งหักซี่กรรมแห่งสังสารักคือเจตนาเหล่านี้พระองค์หักหมดแล้วเจตนาเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าไม่ให้ผลอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงว่ามีมีอยู่คำหนึ่งนะคำว่าอารหันต์อยู่คำหนึ่งว่าหักซี่กรรมแห่งสังสารักรที่กล่าวกันว่าอภิสังขารมาน อ, อภิสังขารมานก็คือเจตนานั่นเอง เจตนาที่เป็นตัวสัตว์ไปในภพต่างๆนะเจตนาไม่ดีก็ซัดไปในภพต่ําหน่อยเจตนาดีก็มนุษย์เป็นต้นตามสมควรแก่เจตนาหรือตามสมควรแก่กรรมพระพุทธเจ้านี่คําว่าอรหันต์อีกคำหนึ่งก็คือหักซี่กรรมเหล่านี้หมดเกลี้ยงแล้วฉะั้นกรรมเหล่านี้จะไม่ชักปฏิสนธิให้แก่พระองค์ฉนะนั้นพระองค์นี่หักสี่กรรมแห่งสังสารวัชรได้หมดแล้วฉั้นตัวกรรมตัวนี้เนี่ยก็คือตัว เจตนาหรือตัวสังขารเป็นตัวกรรมอะไรเป็นดุมนะถ้าถ้ามองก็คือถ้ามองเป็นล้อเวียนนะจะมีกงกรงก็คือวงรอบนอกขนมกงรงอ่ะเคยเห็นนะนั่นแหละตัวกรรมก็คือตัวซี่ซีคล้ายๆกรรมรถจักรยานกรรมรถเครื่องอนะ่ะนั่นแหละตัวดุมก็คือตัวแกนกลางอ่ะตรงกลางๆอ่ะแล้วมันจะมีเพลาสอดอยู่อีกดุมนั้นก็คืออวิชากับตันหา เราก็คืออาสวะสมูทยัยตัวที่เสียบเข้าไปซี่กรรมก็คือเอซี่เป็นซี่ๆเหล่านั้นอันนั้นคือสังขารแล้วก็กรงรอบนอกก็คือชาติเอชราพญาทิมรณะชรามรณะเป็นสี่กรงรถคือรถคืออัตภาพเอรถคือภพสามันก็เล่นไปในภพสามแบบนี้พระพุทธเจ้าเนี่หักกรรมหมดแล้วรถมันก็วิ่งไม่ได้นะรถเสียเลยที น, นี้ พระพุทธเจ้าก็คือหักสี่กรรมคือหักสังขารคืออภิสังขารมาลเหล่านั้นได้เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คือความหมายของคําหนึ่งของคําว่าอรหันนะอันของเราเนี่ยศึกษากรรมเพื่อเลือกเกิดของพระพุทธเจ้านี่หักสี่กรรมไปกันก็เวลาก็ใกล้ใกล้จะหมดอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในที่นี้บอกว่าเนี่ยที่บอกไว้ว่านี่นะครก็คือการเข้าไปทรงจำเนี่นะก็มีความสําคัญมากเลย เมื่อกี้ท่านอาจารย์สงเคราะห์เรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยครับเรื่องเทระคถาเนี่ยนะครับเข้าไปในไตรสรนาคมนะพุทธานุสตินะเพราะฉะนั้นนะสิงเหล่านี้นะถ้าเราถ้าเราจำนะเราจะมีข้อมูลเยอะแยะเลยเช่นเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์พูดถึงความหมายของคําว่าอารหันนี่นะอิติปิโสภควาอารหังสัมมาเนี่ยคำว่าอารหังเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้ที่หักซี่หักซี่อะไรนะฮะซี่กรรม แห่งสังสารจักร์นี่นะครับถ้าหากว่าตึกตึกตึกไปเรื่อยนี่นะสิ่งเหล่านี้นะก็จะเป็นพุทธคุณทีเดียวคือเธอลักษณะนี้นะถ้าหากว่าจะพิจารณาจักขโคลงอริยสัจนี่นะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าจากักรโเนี่ยมีรูปอยู่เท่าไหร่ก่อนจกักรโคเหล่านั้นมีรูปอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเรียนแบบวิสุทธิมรรคจะรู้ว่าในสะสมภาระจักสูนั้นมีรูปอยู่ห้าสิบสี่รูปคือหนึ่งจกักรโทัศกกลา สองภาวะทัศกากราบสามกายาทะัศกากราบอาหารอาวินิโพค ร, รูปแปดจิตตอวินิโพค ร, รูปแปดอุตตะ ว, วินิโพค ร, รูปแปดรวมเป็นห้าสิบสี่รูปในจักขูนั้นจักขูภาษาธาคือความใสอันนั้นเนี่ยนะเป็นชาติกรรมกรร ม, มชรูปใช่ไหมกรรมอะไรที่เป็นชนะ ก, กรรมทําให้จักขูเกิดก็ศึกษาไปว่าอ๋อกรรมที่ทําให้มีตา เพราะกรรมที่มีตันหาเป็นปัจจัยตันหาอะไรตันหานั้นคือรูปปตัตนหาตันหาที่ยินดีในสีนั่นแหละกรรมประเภทนั้นนั่นแหละทำให้มีตากรรมที่เพราะยินดีในสีแล้วทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตานั่นคือกรรมชนะ ก, กรรมที่ทำให้มาเกิดกุศลบางอย่างบางส่วนเช่นไปทำบุญอชอบถวายแสงสว่างะนะให้แสงสว่างเป็นทาน ก ร, รมชนิดนั้นอาจจะมาเป็นอุปถ ร, รมภกกรรมก็ได้มาเป็นอุปธรรมถ้าธากรรมตัวนั้นไม่นําเกิดไม่ไม่ใช่ตัวมาทําให้เกิดตาแต่กรรมบางอีกตัวหนึ่งเป็นตัวให้ทําให้มีตากรรมประเภทให้แสงสว่างเป็นทานจะมาเป็นอุปธรรมพักกรรมทําให้คุณภาพตาดีขึ้นอ่าส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วภาวะหญิงชายเป็นต้นถ้ายินดีในผู้ถ้าชอบผู้ชายนะจะทําให้เป็นผู้หญิงถ้าชอบผู้หญิงจะทําให้เกิดกับจะเพ็นกรรมประเภทผู้ชาย นะตันหาถ้ายินดีในอิทธิภาวะจะเป็นผู้ชายถ้ายินดีในปุริสสภาวะจะเป็นหญิงกรรมที่จะทําให้ภาวะรูปเกิดอากรรมที่ทําให้กายเกิดก็แสดงว่ายินดีในโพธิภะอาหารอาหารก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมโออาหารอะไรที่มาหล่อเลี้ยงตาบ้าง <c oughs> อันนี้ก็ทั้งโลกก็สอนชัดเจนเลยแล้วจิตอ่ะจิตนี่มีอิทธิพลต่อตาขนาดไหนถ้าโลภะเกิดตาเป็นยังไงโทสะเกิดตาจะเป็นยังไง โมหะเกิดตาจะเป็นยังไงมหากุศลเกิดตาจะเป็นยังไงเมตตาเกิดเนี่ยกุศตาจะเป็นยังไงกรุณาเกิดสายตาจะเป็นยังไงมันมีอิทธิพลต่อตามหมดเลยใช่ไหมฮัลสสมุทฐานเมื่อรู้จักขู่พร้อมทั้งสมุทฐานคือปัจจัยนั่นแหละเรียกว่าจักขู่สมุทยัยถ้าหมดกรรมเป็นต้นที่ทําให้มีจักสุะถ้ากรรมไม่มีจักสุกก็ไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีตัณหาในจักสุเมื่อวิจัยจักสุจนละคลายความยินดีซะ ความยินดีในจักรสุใหม่ก็ไม่มีอันความจักรสุนในอนาคตก็ไม่มีใช่ไหมเมื่อไม่มีตันหายินดีในสีเพราะพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วเมื่อไม่มีตันหาปั๊บจักรสุก็ไม่มีไม่เป็นไปของทั้งสองสิ่งนี้เรียกว่าเป็นนิโรธสัตว์นั่นคือนิโรธสัตว์แล้วตัวอริยมรรคอะนะสามมาทิฏฐิเนี่ยวิจัยเรื่องสมุดฐานสีของตาเป็นต้นอันนี้สามมาทิฏฐิแบบ สมาธิิมีหลายระดับใชอันนี้เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิการวิจิณไชโดยสมุดฐานเป็นต้นนี้เป็นกรรมสกตาสัมมาธิฏฐิแล้วต่อไปอีกวิปัสสนาสัมมาธิฏฐิก็คือตามเห็นจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคส้อนเป็นโรคเป็นความลําบากเป็นเหมืองของขอยืมเข้ามาเป็นต้นอั้นตัวปัญญาอันนั้นเรียกว่ากมวิปัสสนาสัมมาธิฏิ ละคลายความยินดีแล้วก็สามารถจนถอนอุปาทานในจักรสู่ได้อันนั้นเป็นมัคคะอริยสัจตาไม่ใช่ของเราเลยครับถอนสกายทิถิได้เลยตาไม่ใช่ของเราแต่ว่ถกกาถ้าใส่ใจว่าตาเนี่ยนะประกอบด้วยรูปเกิดด้วยปัจจัยคําพูดนี้เป็นคําพูดปฏิเสธส ก, กายทิถิแต่ยังละเป็นสมุดเฉดไม่ได้โสดาปฏิมากเกิดขึ้นจึงจะละเป็นสมุดเฉดแต่เบื้องต้น ถ, ถ้าใช้คําว่าตาเป็นต้นเนี่ย คำพูดเหล่านี้เป็นคำปฏิเสธสักายะ ป, ปฏิเสธทางาทาข้าประหาร<ล>ยอยู่แล้วเป็นตาทางข้าประหารตั้งแต่นี้อยู่แล้ว<ม>แต่ถ้ารู้ปัจจัยปั๊บจะละรู้ปัจจัยของตาเป็นอย่างดีจละละความสงสัยได้ความสงสัยทั้งสิบอย่างได้ถ้าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็จะเริ่มละ ว, วิปลาสได้ถ้าเห็นปัจจัยที่ทําให้ตาเกิดได้อนะจละอุเฉททิฐิได้ถ้าเห็นความเสื่อมของตานะถ้าปัจจัยหมดตาก็หมดเป็นต้น ละสัสตตทิฏฐิได้<ม>เห็นความเสื่อมอนะถ้าเห็นตาเนี่ยเป็นภัยก็ละอะไรละความสําคัญว่าหน้าอ่าไม่ใช่ภัยเห็นตาเนี่ยมีโทษก็จะละความสําคัญว่าไม่มีโทษเมื่อเบื่อหน่ายก็ละความเพลดิดเพลินในตาได้อันนัตัวสัมมาทิฏฐิที่พอกภูลักษณะ น, นี้บ่อยๆเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิๆๆอันนั้นในขณะควบคู่นั้นในเรื่องตานั้นอ่ะพิจารณาต่อฌานาจิตได้ ถ้าเข้าใจเรื่องตาเพราะในในลูกตานั้นมีเลือดมีอะไรอยู่ด้วยต่อกสินได้นักถ้าควบคู่กันไปอันนั้นก็เป็นฌานสัมมาทิฐิสลับกันไปอย่างนี้บ่อยๆเสร็จแล้วก็พอกพูนมากๆจนถอนความยึดถือได้อันนั้นเป็นมัคคสัมมาทิฐิมักให้ผลไม่มีระหว่างขั้นเป็นผลสัมมาทิฐิถ้าหากว่าปัจเจเวขนายานต่อเกิดปัจเจเขนายานสัมมาทิฐิก็จะเกิดขึ้นต่อไป นี่เป็นเรื่องย่อของคําว่าการเจริญวิปัสนาเจริญอย่างไรลองเอาไปถอดมานะแล้วเป็นข้อความนะเรามาดูนะครับแล้วเราม า, มาพิจารณาทุกคําพูดเลยนะเนี่ยยอที่สุดแล้วเนี่ยครับคือการเจริญวิปัสนาเป็นอย่างไรเนี่ยตรงตามพระไตรปิฎกตรงตามปริยัติเปี๊ยบเลยน่าสนใจมากเลยครับเรื่องนี้เนี่ยที่คุณทันรินีถามมาเนี่ยแค่เนี้ครับหมดเลย นี่ละครับผมเชื่อว่าเราเดินทางมาไม่ผิดหรอ ก, ก, กคือตันหาที่เป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่ทำให้เกิดจักสุเพราะฉะนั้นอ่าจักสุเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ความเกิดของจักสุเนี่ยจักสุเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดหนึ่งอวิชาสองตันหาสามกรรมเพราะอาหารและก็ตัวจกักรสุเองนั่นคือความเกิดขึ้นของจักสุ หมดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บจากสสดก็หมดนั่นเป็นความเสื่อมของจากโสดอย่างเช่นถ้าหากว่าตาเนี่ยนะเกิดจากอาหารใช่ไหมข้อหนึ่งวิตามินที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะให้ตาได้กี่วันสมมติบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ถ้าวิตามิน A อนะบำรุงสายตาใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าวิตามิน A กิน1แคปซูลเนี่ยนะถ้าทั้งวันเลยเรารับวิตามิน A แค่เนี้ยวิตามินนี้จะไปรอเลี้ยงกายได้กี่วันไม่เกิน7วันใช่ไหม มันก็ต้องเติมไปเรื่อยๆฉะนั้นของพวกเราเนี่ยรับประทานวิตามินเอบ่อยๆจนจนลืมอะ่ะฉนั้นพวกอาหารชรูปที่มาหล่อเลี้ยงตานั่นแหละเป็น <Okay. S 1> ถ้าอาหารชรูปไม่มีตาก็ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันต้องกำในดิดด้วยนะนนะถ้าปัจจัยไม่มีตาก็ไม่มีเมื่อปัจจัยหมดตาก็หมดนั่นเองถ้ า, าถ้ารู้ปัจจัยเท่าไหร่นั่นแหละรู้สมุทัยสัตว์เท่านั้นจะน่าไม่เป็นไปทั้งสองอย่างนั่นแหละเป็นนิโรธสัตว์ คืออยากจะฟังทั้งคืนเลยนะครับ <laughs> อยากจะฟังเรื่องนี้ทั้งคืนเลยนะเพราะว่าฟังแล้วเพลิดเพลินแล้วก็มีแจมแจ้งครับคืออืมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่คิดสักอย่างนี้เรื่องนี้ใครเจริญปาสนาได้ครับถ้าไม่ตรึกไม่ตรึกอย่างนี้นะครับเวลาก็หมดแล้วครับ